พระธรรมเทศนาแผ่นที่81ดสิบดลำดับที่18โดยหลวงข้ออินถวายสันตุสโภวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรธานีสแสดงธรรมในวันที่12สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าแทนบุญคุณพ่อแม่และอาจารย์ เราตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้พูดอะไรปาลบให้คณะชาตาญาติยาโยมลูกหลานได้ฟัง <c oughs> เพื่อเรียนรู้การศึกษาเรายังเป็นเสกขะผู้จะต้องศึกษาจะต้องศึกษาฟังไปเรื่อยๆอ่ะเสก่ะผู้ไม่ต้องศึกษาคือพระหันผู้ไม่ต้องศึกษานะจบการศึกษา แต่นอกนั้นลงมาถึงจะอยู่ในระดับไหนยังเป็นเสขะอยู่ยังพูดยังจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆเพราะนั้นพวกเรายังเป็นพระเสขะผู้จะต้องเรียนต้องศึกษาอันนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องต่างๆที่พวกเราจะได้รับรู้ได้รับการ ศึกษา <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหาพฤษภกราศ2 5ัห้าราสบแดแต่วันนี้เป็นการประชุมหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมพิเศษอันเนื่องมาจากวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติและก็พร้อมกันอ่ วันเป็นวันเกิดขององค์หลวงตามหาบัววันที่สิบสองเช่นเดียวกันเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ออกไปจากวัดเดินทางไปวัดป่าบ้านตาตั้งแต่ตีสออกจากวัดเราไปถึงที่รุ่นก่อหกโมงต้นๆจากนั้นก็ได้ไปทำกิจกรรมบิณฑบาตพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นพี่น้องประชาชนล้นหลามเป็นยัง มองเห็นว่าพี่น้องประชาชนยังรักเขารบในองหลวงตาไม่เสื่อมคลายมากทีเดียวที่เห็นเมื่อเช้านี้จากนั้นก็พระสงฆ์ก็มากกับพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมจัดอาหารเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ได้กล่าวสมมติธนิยกถาเกี่ยวกับปารบเรื่องงานว่าวันนี้เป็นวันอะไร แต่ทั้งที่ในใจก็รู้กันทุกคนแล้วล่ะแต่หลวงพ่อพูดเป็นทางการให้ใครว่าให้รับรู้รับทราบนี่ทั้งอยู่ข้างนอกทั้งอยู่ข้างในเพราะทุกวันในการพูดออกไปเนี่ยมันเป็นการสื่อดังไปทุกสารทิศทุกหัวละแห่งบางคนก็ยังไม่รู้แต่พอหลวงพูดเขาหลวงพ่อพูดให้ฟังพี่น้องประชาชน ที่อยู่ข้างนอกได้ฟังวิทยุโทรทัศน์ก็จะได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อก็ได้ปารับเรื่องงานเมื่อเช้านี้และก็ปารัเรื่องเจดีขององค์หลวงตาไกลๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ประกาศว่าจะถูปัจจัยพี่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนํามาถวายหยอดตู้ตั้งแต่ เริ่มแรกว่าจะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หรือเจดีย์ขององค์หลวงตาพี่น้องประชาชนศรัธทธาญาติโยมก็ได้ถวายคนละมากคนละน้อยแต่มณ ะ, ะวันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราชสัรอารวบรวมจตุปัจจัยได้4่หากว่าล้านลูกหลานนะ จะตุกปัจจัยไม่ได้แตกได้รั่วได้ซึมไปที่ไหนหเก็บไว้ในบัญชีก็พร้อมที่จะนำมาใช้ในเมื่อสร้างพระเจดีรอๆสักหน่อยก่อนนะปัเดี๋ยนนี้กำลังไปชุมหารือกันอยู่เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาในมากมายหลายๆแนวแนวความคิดก่อนที่จะลงเอ่ยกันได้แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของทาได้ง่าย แต่ทําทคนเดียวมันง่ายตัดสินใจคนเดียวมันง่ายแต่ตัดสินใจหลายคนเนี่ยนานาจิตต่างนานาทัศนะเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายล่ะเพราะว่าถ้าว่าตัดสินใจลงไปกัคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับก็มีการต่อต้านขึ้นมาพล ง, งานทั้งงานก็จะเสียหายไปอีกล่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องระเวียงต้องระวังต้องพร้อมกันพอสมควร แต่จะให้พร้อมร้อเปอร์เซ็จริงๆก็คงจะไม่มีหรอกโลก น, นี้แหมกล่ว่าเกินเคึ่งไปแล้วก็แปลว่าใช้ได้แต่คราวนี้ก็คิดว่าการออกแบบรู้สึกว่าพร้อมแต่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อก็ขอร้องอพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ า, เ, าเมื่อเด็ดูแบบแปลนแล้วก็ขอให้หล่อหลอมอ่ น้ำจิตหล่อล้อมใจดวงใจทุกดวงที่เป็นสิทธิ์ยาในสิทธิขององค์หลวงตาให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ให้ได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาถ้าพวกเราไม่ได้ทําไม่ได้สร้างก็พูดที่ตายไปแล้วก็มีมากต่อมากเพราะมันหลายคนที่เป็นลูกธิ์ลูกหาหลวงตาที่เก่าแก่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ก็ให้มาถึงจุดนี้แล้วก็ถ้าพอจะเป็นไปได้ก็เอาช่วยๆกันเน้อล้อมจิตล้อมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์บูชาพระคุณองค์หลวงต า, เ, าเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทางหลายาพระองค์หลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พวกเราให้ความเคารพ นับหรือนับถือเริ่มใสอย่างสุดอกสุดใจของของสิทธิ์แต่ละคนหลวงพอ่อเคยพูดอย่างนั้นอะเมื่อเช้าเนี่ยจากนั้นก็นพระสงฆ์ก็ได้ฉันปตาาัต ahan พอเสร็จแล้วก็ทราบว่าหลวงปู่บุญมีท่านจะมาจากจังหวัดยะโสธรจะขึ้นมาเพราะท่านเห็นแบบแปลนพระเจดีย์แล้วท่านก็พอใจจากนั้นหลวงปู่ลีก็กลับไปผาแดงก่อนเมื่อเช้าพอเสร็จแล้วก็ท่านก็ และกลับลงมาอีกมาเจอกันตอนเที่ยงมาหลวงพ่อออกมาแล้วละ่ะทีนี้พอหลวงพ่อบ้านอยู่ไกลขืนอยู่ไปกอดนั่นแหละไม่ไหวอีกเหมือนกันทางเราบ้านเราก็ได้กลับมา ก, ก่อนตรงปู่สององค์ก็ได้พบได้เจอกันกับพี่น้องประชาชนพระมากมายมื้อเช้านี่ยราบคารวะทั้งสองพระองค์หลวงปู่บุญมีและหลวงปูล่ลีจากนั้นก็ได้พูดตกลงกัน ก็ไม่น่ามีปัญหาหผงพอได้ยินแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับครูบาอาจารย์เห็นพ้องต้องกันสาหรับหลวงพ่อเองไม่มีปัญหาหรอกทํำยังไงก็ได้เอาเถอะข้อสําคัญให้ตกลงกันอย่าทะเลาะกันในพี่น้องครูบาอาจารย์เอายังไงก็ได้เพราะหลวงพ่อไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ถึงร้อยถึงพันถึงห0ื่นปีไม่กี่ปีอีกข้างหน้าก็ตายไปแล้วละ่ะอ อ, อย่างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นก็เหมือนกัน ก่อนที่จะขึ้นมาได้นะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่คัดค้านก็ตายไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรโผขึ้นมาอีกก็เป็นสมบัติของลูกของหลานไปนานยาวนานเท่านานผู้ที่คัดค้านก่อนั่นแนะต่างคนก็ต่างตายไปครูบาอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราจะไปคัดค้านไปเพื่ออะไรเรามุ่งหวังอะไรเราไม่มีสิ่งที่จะมุ่งหวังมีแต่ เชิดชูบูชาทำสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนที่มันจะอยู่ชั่วฟ้ายาวนานเป็นที่เคารพสักการะถูกต้องดีที่สุดแล้วก็จบเท่านั้นจะจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เ, เม็ดก่อนหินก่อนหนึ่งายก้อนหนึ่ง อ, อ, อะไรอะไรอยากจะให้ถูกใจของเราหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วโลกอันนี้มันลกอันนี้โลกอนกนี้จัง โลกไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองท้าจะให้ถูกใจตัวเองเลจะแกะส่สิอย่าเจ็บสิอย่าตายสิบอกได้ไหมมันก็ยังบอกไม่ได้ขนาดร่างกายตัวเองแล้วสิ่งอย่างอื่นสิ่งอย่างอื่นล่ะอย่าให้มันถูกใจเราอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันมองเห็นได้ทะลุปูปลงไปทั้งหมดน่นแหละ มันมองเห็นได้เลยอันไหนอันไหนคือสาระอันไหนคือไม่ใช่สาระสาระธรรมคืออะไรสิร่งที่ไม่สาระไม่ใช่สาระนั่นคืออะไรสาระที่จําเป็นนั่นคืออะไรสาระที่จําเป็นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอใหต้ตัดกิเลสละกิเลสอย่าไปคิดทางนอกอย่าไปยุ่งเยิ่มกับภายนอกอย่าไปคิดว่าสิ่งภายนอกเป็นสาระประโยชน์ ให้ดูใจของตนเองถ้าใจตัวเองชำระกิเลสยังไม่ได้นั่นแหละอย่างไร้สาระไร้ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาจุดนี้นะเพราะหลักธรรมคาสอนของพุทธะที่ท่านบอกกับภิกษุทั้งหลายมานานต่อนานแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นว่าสิ่งภายนอกสําคัญแต่พระพุทธเจ้าว่าอย่าง ถ้าท่านยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นพระอาเสคายังไม่เป็นพระอรหันต์เมื่ อ, อไรพวกท่านยังยังอยู่ในเปลือกอยู่ในกะพียังหาสาระประโยชน์ไม่ได้แต่เมื่อใดพวกท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อนั้นแหละหมดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นท่านจงทำให้ตัวเองมีสาระมีประโยชน์อันยอดเยี่ยม และพระพุทธองค์ท่านยึดแนวแถว เ, เรื่องด้านจิตใจมากกว่าอย่างอื่นให้พวกเราศึกษาดูาในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธาศาสนิกชนถึงจะไม่ได้สำเร็จถึงมรรคถึงผลขนาดนั้นเถอะขนาดนั้นก็เถอะแต่เราก็ยังเทิดทูนเชิดชูบูช า, าในการที่จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การจะทําให้จิตใจบริสุทธินั้นทําอย่างไรหลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้กับพวกเราคณะสัทยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไม่รู้กี่ครั้ง ก, กี่หนมาแล้วนะนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันสําคัญที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นขึ้นมาวันแม่คำว่าแม่คํานี้น่ะมันถ้าเราไม่ได้ ดูไม่ได้คิดย้อนหลังมีจะคิดไปหน้ามันก็ไม่สำคัญนะแม่ที่นะแต่เราคิดย้อนหลังไปดูสิ เ, เราเกิดมาจากใครมาเกิดมาจากแม่แม่เลี้ยงดูเราขนาดไหนบางที่อยากจะเอาก้ามก้ามปูคาบซะเกินมันะแต่จะทำไม่ได้เพราะความรักกลัวลูกจะเจ็บจะปวดอีกต่างหาก มีแต่โอ่โ อ, อย่างเดียวถึงลูกจะตบจะตียังไงแม่ก็ต้องมีแต่ใจเย็นใจดีสู้กับลูกเพราะนั้นเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็เห็นแล้วเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเรายังเอามามาเอาแต่ใจตัวเองอีกต่างหากพ่อแม่พูดนิดนิดห น, น, น, น่อยๆนอกับไอ้ลมตุมปองไอ้ลมตุมปองหน้างเงี้ยวคิวขโมด โมโหโกธามากกว่านั้นก็ทำร้ายทำลายพ่อแม่อีกต่างหากอย่างน้อยก็ทำร้ายทำร้ายทรายจิตใจของพ่อแม่มากกว่านั้นก็ทำร้ายร่างกายของพ่อแม่บางคนก็ทำร้ายทางวาทะพูดออกมาแสดงความไม่เคารพแสดงพูดออกมาแบบทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจก็มี แต่บางคนก็เฉยพูดแม่พ่อแม่แนะนำบอกกลา่าวยังไงก็ไม่ฟังเอาหูทวนลมจนพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้ก็มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงอยากจะให้พวกเราในฐานะลูกหลานเกิดมาสุดท้ายภายหลังเกิดมากับพ่อกับแม่ท่านผู้ใดอยากจะให้ลูกหลานดูตนเองดูตนเอง ให้มองตนเองเออแล้วก็เห็นึกดูว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราแต่งงานเรามีครอบครัวถ้าเรามีลูกขึ้นมาลูกของเราเนี่ยทําตัวอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้ละ เ, ออเราคงจะดีใจอย่างมากนะลูกของเราทําอย่างเราเดี๋ยวเนี้ออขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหน้าเป็นหลังบงัง เฉียวชนคนบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นเราดีใจมากถ้าลูกของเรากินเหล้าเมายาเที่ยวสั ม, มเลเทเมาอย่างเราเป็นเนี่ยเราจะภาคภูมิใจอย่างมากถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเมื่อเราเป็นเรามีครอบครัวขึ้นมาและลูกเราเป็นอย่างนั้นเราเสียใจถ้าลูกของเราเป็นอย่างที่เราเป็นเดียวนี่เราไม่รู้จะทำยังไงนั่นละสิ่งเหล่านี้เราต้องคิด หัวใจแม่หัวใจ ท, ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นล่ะเราจะไปทำให้ท่านช้า อ, อกช้าใจทำไมดีเราไม่รู้จักเหรอเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วดีเขาจักไหมรู้จักไหมดเีเมื่อเรารู้จักดีเราก็รู้จักชั่วชั่วนะั้นรู้จักไหมนะเมื่อเรารู้จักชั่วแล้วเราจะไปทำทำไมชั่วเราก็ต้องทำแต่คุณงามความดี ทําให้พ่อแม่สบายใจกับเราเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ยากพอแรงแล้วทุกพอแรงแล้วเมื่อใหญ่ขึ้นมาเราจะทําให้พ่อแม่ทุกใจกับเราอีกมันไม่น่าจะถูกเพรา ะ, ะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี้ให้พวกเราคณะสัทยาญาณโจมลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นสมัยทุกวันนี้แหละให้ลูกหลานทั้งหลายได้คิดนะให้โอปรณายโกมองตนเอง ถ้ามองตนเองแล้วนะ่ะเราจะเราจะรู้จักการวางตัวแบบไหนอันไหนจะทําให้พ่อแม่สบายใจเบาใจทําให้พ่อแม่มีความสุขใจเราก็ทําสิ่งนั้นในเพื่อทําเข้าไปเราก็ทามาค้าขายการดํารงชีพต่อตไปภายภาคหน้าพ่อแม่เขาไว้วางใจนอนตาหลับแล้วก็ มรดกสิ่งไหนที่ท่านจะให้ท่านก็เอาได้วางให้เราเป็นทายาทสืบทอดมรดกของพ่อของแม่ด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่ใช่ว่าจะแบ่งมรดกให้แล้วก็คิดแล้วคิดอีกทุบๆตอมๆกลัวลูกเกเรมันจะเอาขายไปยังไม่ดีพ่อแม่ยังไม่ตายมันหมดไปก่อนอย่างนี้นเ่พอขายเข้าไปแล้วกเป็นสมบัติของตัวเองนั่นะ เอาไปถลุงไปขายเอาไปจำนองจำนาพ่อแม่น่ยยังไม่ตายเลยตายเลยเป็นทุกข์ช้าอกช้าใจผลให้สุเขเลยช้าอกช้าใจต า, ตายก่อนเ <c oughs> พราะว่าเสียเสียใจกับการกระทาของลูกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้ผู้เป็นลูกทั้งหลายต้องคิดนะอย่างลงพ่อเนี่ยวงุพ่อของสูเจ้าทั้งหลายนะ พอออกจากครูบาอาจารย์จะออกมาจากหลวงตาออกมาจากหลวงปู่หล่าเราก็ยังให้ท่านยอมรับว่าเราเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลและวิ น, นัยอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมท่านให้ท่านยอมรับเวลาเข้าไปกราบไปไหว้ท่านสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่มันดีกราบเรียนท่านเหมือนที่เท่านมา ดูรกฎิศัพท์ของท่านออผู้มามองท่านผู้มาดูมาแลมามองเราเนี่ยเหมือนตาสับประรด เ, เมื่อเห็นเราทำไม่ดีเขาก็ต้องไปกราบเรียนองค์หลวงตาออไปกราบพระท่านอาจารย์อินออทำอย่างงุน้นทำอย่างนี้บางทีออก่อสร้างอย่างนี้ขึ้นมา อ, อ, อย่างเราก่อสร้างออขัดกันนัสสัทธายาจุรงไปกราบเรียนท่านท่านก็ด่าไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่เราก็มาพิจารณาดูกระจิงเราก็ยอมรับแต่ว่าการก่อสร้างสมัยเก่ากับการก่อสร้างสมัยใหม่พอมันฝีมือมันก็ต่างกันเครื่องไม้เครื่องมือก็ต่างกันมีกบไฟพงไฟฟ้ามีสวงสวร์ตะกอนมีต่มีดกับพระกบกับกบมือจะให้มันปราณีตไม่ให้มันปราณีตขึ้นมาเลยก็ไม่ได้พอมันปราณีตขึ้นมานี่แหละ ท่านก็ขูท่านก็ดุแต่เราก็ยอมรับนีแต่เราก็ว่าเราไม่ทำไม่ทําอะไรเสียหายเราก็อยู่ในทําให้ถูกโลกสมมุติอยู่นะแต่ถึงยังไงก็ครูบาอาจารย์ในแนวความคิดของท่านท่านก็ดุด่ า, าว่าก่าวคือละคือท่านไม่อยากจะให้เราหลงลืมตัวจนเกินไปอย่าให้หลงละเลิงในทางด้านวัตถุจนเกินไปเราก็รู้นะ แต่ว่าเราก็พยายามอยู่ในกรอบแต่ถึงยังไงก็ตามโค้งสุดท้ายจริงท่านก็นยังยอมรับยอมรับได้ท่านท่านไม่ยอมรับนอะท่านโคงไม่ให้พิ่นายกรรมไม่ให้พิณนยกรรมหลวงพอ่ออันนี้ท่านยังมอบความไว้วางใจว่าให้จัดการงานศพของเราให้จัดการนะท่านมอบบกบง่งบุ บงบอกชื่อไว้เลยในพินัยกรรมของท่านก็แสดงว่าท่านยอมรับโลกความไว้วางใจของท่านมีท่านจึงมอบให้เหมือนกับเราเนี่ยถ้าลูกของเราเกเลเกตุงออกนอกลูก่นอกทางพวกเราคิดดูที่เราจะมอบความไว้วางใจได้ไหมมอบไปได้มอบไปก็เสียหายลูกคนไหนที่อยู่ในกรอบพอที่จะไว้ใจได้ มีิจิลยามลายาตอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในกฎหมายอย่างนี้พ่อแม่ก็ไว้ไว้ใจไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแต่จะให้ท่านไว้ใจถึงร้อเปอร์ซก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะ60สิ็ดเปอร์เซก็นั่นแหะก็นับว่า ด, ดีแล้วนะอันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นลูกลูกๆทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็เถอะนะ เมื่อออกไปจะไปทำอย่างไรก็ต้องคิดถึงครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์รับตารับหลังท่านรับตาท่านรับหูของท่านแล้วไปทําออกนอกลูก่นอกทางแล้วจะให้ท่านไว้ใจได้อย่างไรเพราะเหตุว่พรเหตุไรเพราะตัวเองขนาดตัวเองก็ยังมีที่รับมีที่แจ้งการประพฤติปฏิบัติในศีลและวินยัยแล้วครูบาอาจารย์ ตาของท่านน่ะตาแหลมคมขนาดไหนลูกศิษย์ลูกหาองค์อื่ น, นมาพูดมากล่าวให้ฟังกิริยามรายาทอย่างนู้นอย่างงี้นะ น, น, น่ถึงท่านจะไม่ฟังเชื่อที่เดียวท่านก็นำมาวิเคราะห์อีกเหมือนกันจับตามองเหมือนกันมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมอากับกิริยาอย่างนี้เฮ้มันเป็นคนขี้เหนียวที่ตนีจริงไหม ไม่ยอมแบ่งปันเห็นแก่ตัวจริงไหมแล้วการพูดไม่รู้จักสูงจักต่ำจริงไหมไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยจริงไหมไม่มีศีลจะฉันแบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์จริงไหมถ้าเขาฟ้องมาหรือเขาพูดมาอาจารย์ก็ต้องจับตามองอีกเหมือนกันมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องดูดูด้วยสายตาถ้าพูดมากๆขึ้นมาแล้วขนนะ ใช่สิ่งเราถึงจะไม่เชื่อก็ต้องอาจารย์ก็ต้องต้องพิจารณาตัดสินใจไปในทางอื่นถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เห็นกับหูกับตาเขาคงจะไม่พูดคนที่พูดขึ้นมาก็ดูแล้วก็น่าเชื่อถือนะถึงเขาจะไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ก็น่าเชื่อถือคนที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็ต้อง จับตามองนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาเนี่ยท่านแหลมคมขนาดไหนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกทุกระดับชั้นนะในองค์หลวงตาเพราะนั้นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์หลวงตาหลวงพ่ อ, อมึงไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันพูดทั้งนี้ทางนั้นไม่ได้ยกย่องหลวงพ่ออินนะ ไม่ได้ยกย่องหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อเนี่ยในความคิดหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดอย่างนั้นถ้าหลงตาไม่ไว้วางใจหลงตาหลวงคงจะไม่ให้คงจะไม่พูดอย่างนั้นที่ท่านให้มาเราภูมิใจไหมถึงจะให้มาอย่างไรเราก็ยังมองตนเองอยู่เหมือนกันอลงหลวงเองเราไม่เคยไม่เคยลืมตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะแต่ทำสิ่งไห น, นตกมาล้วก็ต้องเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านพาดําเนินอย่างไรพาปฏิบัติอย่างไรพวกเราหลูกพ่อเองปฏิบัติตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอันนี้ที่พูดกล่าวมาทั้งหมดให้ฟังในก่อนเนี่ยวิถีทางเดินของสิทธิานุสิทธิลูกสิทธิพูดง่ายง่าลูกสิทธิครูบาอาจารย์ลูกของพ่อของแม่ก็คงจะเดินลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถึงยังไม่เดินเหมือนกับลูก ลูกพระลูกศิษย์ลูกหาพระแต่ก็เราเป็นลูกศิษย์เป็นลูกของพ่อของแม่ เ, เราก็ควรจะคว้าให้ความเคารพให้เกียตรติให้ความเคารพ บ, บูชาเพราะท่านได้เลี้ยงดูเราม า, าถึงจะพ่อแม่ไม่ฉลาดโง่เง่าเต่าตูนอย่างไรตัวเองเป็นบันฑิตนักปราดผู้เป็นบันฑิตนักปราดนั่นแหละจิ้งรู้จักวิธีการที่จะพยุงพ่อแม่ของตนเอง ให้รู้จักการพูดการกระทําการวางตัวครับลูกที่เป็นปาฏนะเแนะนําสั่งสอนพ่อให้รู้จักนะอันนั้นคือลูกที่ดีถ้าลูกไม่ดีก็อย่างว่านะลูกเกเรพ่อเห็นพ่อตัวเองโง่แล้วก็ยิ่งต้มยิ่งตุนไปอีกยิ่งดูถูกเหยียดตยามไปอีกไม่แนบถือกับพ่อแม่ของตนเองอีกต่างหากนะอันนี้ไม่ใช่ลูกที่ดี ลูกฟัดพ่อฟัดแม่แล้วลูกขิกลูกรักครั่งมันไม่ดีแต่ลูกพ่อลูกแม่ลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วน่ะต้องบอกกล่าวจุดไหนที่มันไม่ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดมาเป็นลูกพราหมณ์บ้านนอกผู้ลูกพราหมณ์บ้านนอกแต่ท่านเกิดขึ้นมาแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านฉลาดลูกถึงจะเป็นลูก เกิดมากับคนโง่ก็จริงแต่ว่าท่านมีแววเพราะท่านดวงใจของท่านคือพระโพธิสัตว์เน่ยจากนั้นท่านก็นไปเรียนศึกษาก้าวหน้าจนได้เป็น เ, เสนาบดีอํามาศของพระเจ้าแผ่นดินแต่นี้นไปจูไปพ่อเพลิงพระเจ้าพเาพเาลิงรับให้เป็นเสนาอํามาศเพราะผลงานของเขาเด็กหนุ่มคนนี้ก็ปัญญาดีจริงๆ ทีนี้ก็พ่อของเองตัวเองนี่โง่พูดอันนึงตํามันหนึ่งพูดวัวตําควายผูกควาดพูดควายตําช้างลักษณะอย่างงั้นแหละอแต่รู้สึกว่าพ่อตัวเองนี่ยการศึกษานี่ไม่รู้จะเอายังไงก็รู้แก่ใจแต่ทอนี้ก็พอต่อมาเนี่ยพ่อเนี่ยมีบัวอยู่สองตัวน่ยวัวล้อวัวกเกวียนเนี่ยนะทั้งไถนาด้วยทั้งลากเกวียนด้วยเมื่อลาก เมื่อไปไถนากับไถนาทั้งสองตัวไถนาพอไถนาเสร็จแล้วก็ใส่เกวียนบรรทุกฟืนบ้างบรรทุกสิ่งของมาบ้านเรือนบ้างลูกชายนี่ก็อยู่กับพ่อกันแต่ตัวเองไปอยู่ในในเมืองแหละพอยันวันหยุดตัวเองก็กลับมาหาพ่อหาแม่พอมาพ่อแม่กระบกบอกให้ฟังโอ้ลูกวัวตัวหนึ่งมันตายแล้วของัน เอ่ยังเหลือวัวตัวเดียวให้ลูกขอเงินขอวัวจากพระเจ้าแผ่นดินมาให้พ่อสักตัวได้ไหมลูกทางลูกโอ้ยผมก็เพิ่งเข้าไปไปเป็นข้าเฝ้าไหมเป็นอมตะใหม่ผมผมไม่กล้าขอแล้วพ่อให้พ่อไปขอเองก็จะดีกว่ามั้งพ่อจะกล้าไหมโอ้ยกล้า ถ้าลูกบอกให้ไปขอแต่นีนลูกก็มาเอ๊ถ้าพ่อไปขอนี่จะไปข อ, อยังไงจะไปใช้สับยังไงกับพระเจ้าแผ่นดินถ้าเลิศทะาลาไปผมขอวัวเลยไปจะ ด, ดูแลเมื่อตายขายขีนหน้าที่เราเป็นอํามาตะใหม่เราควรจะสอนพ่อให้เข้าใจซะก่อนอนี่แหละลูกที่ดีนะปราดนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องสอนพ่อซะก่อนว่า วิธีการเข้าไปทํายังไงทํอกับกิริยาอย่างไรเมื่อเข้าไปหาเจ้าทีนี้ก็พอกลับมาแล้วก็จะสอนในบ้านก็กลัวคนจะเห็นอายคนใช่ไหมก็ไปสอนในป่าช้าที่คนไม่เข้าไม่ท่องไม่เที่ยวคนกลัวผีเนี่ยแต่เอาพ่อไปพอเข้าไปแล้วก็ ทำเป็นหุ่นขึ้นมาคือหุ่นไล่กาเนี่ย เ, เสร็จแ้กก่อนเนี่ยตั้งอันนี้คือพระราชาอันนี้คือผมผมจะยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้พระราชาท่านจะนั่งบัลลังก์อย่างนีเ้เมื่อพ่อเข้าไปเนะ่ยคุณพ่อเดินเข้าไปต้องแสดงความอย่างนี้เคารพอย่างนี้คล้ายๆกับ ว, ว่าแสดงความเคารพอย่างไง ในเมื่อเข้าไปเฝ้าเจ้าแสดรงมดทุกอย่างมาเลยเอาท ด, ทดลองดูพ่อพ่อก็ทดลองดูผิดผิดถูกถูกเอาเอาไม้เอกอยู่ในปลายช้าเหมือนกันเถอะพ่อพ่อสอนลูกลูกลูกสอนพ่อกันสอนยากเลยลูกสอนพ่อเนี่สอนยากเลยถ้าหากว่าพ่อสอนลูกแต่ถ้าไม่ฟังเนี่แส่หัวหลังอลไรเหมือแนบบกันเลยก้ามปูบิดเลย เออบิดหูบิดอะไรก็ได้แต่ลูกสอนพ่อนี่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าทำไม่ถูกแล้วเอาพูดไหมต้องทำไหมีทแรกฟังเอาทาเอาเอพอต่อมาเป็นหลายสิบครั้งเหมือนกันไดะน่าจะได้แล้วมั้งปาเ น, นี่เอเอแล้วก็พูดว่าเวลาพูดกับพระราชานะ <c oughs> เออข้าพระพุทธเจ้า ทำมาทำมาค้าขายทํำกสิกรรมทําไร่ทํานาข้าพระพุทธเจ้ามีวัวอยู่สองตัวคือเป็นวัวไถนาไถนาคู่แล้วก็ลากเกวียนลากฟืนลากสิ่งของเข้ามาสู่บ้านแต่บัดนี้วัวของข้าขาพระพุทธเจ้าตายไปตัวหนึ่งขอพระองค์จงประทานวัว ตัวที่สองให้ข่าพระองค์ข่าพระพุทธเจ้าโดยเถิดฮ ะ, อ, ะอยพูดอย่างนี้นะพ่อนะก็พูดพูดผิดผิดถูกถู ก, กว่านันเออแต่ว่าอย่างไงก็อย่างไางไแล้ววะเออพ่อว่ามันจะเข้าหน้าหน้าพ่อแร้งแล้วเนี่ก็เกลยพอเสร็จแล้วก็ไปพ่อไปที่หลังผมนะผมไปก่อนจะไ่้ก็บอกหมู่พกเพื่อนที่เป็นทหาร บอกให้นำพ่อเข้าไปนะผมจะไปเฝ้าก่อนจากนั้นลูกชายกนไปถึงกับสวายบงคมพระเจ้าแผ่นดินแล้วกยืนอยู่ข้างหนึ่งจากนั้นก็พวกทหารก็นำพ่อของ อ, อ, อามาตย์ใหม่เนี่ยปโปรหิตใหม่เนี่ยเข้าไปเข้าไ ป, ปโปรหิตใหม่ก็เลยแนะนำ พระพุทธเจ้าข้าอันนี้คือพระบิดาของข้าพระองค์พระเจ้าข้าเี๋มากราบทูลว่าพระองค์คงมีธุระสําคัญจวนตัวมั่งกับผมท่านจะเข้ามากราบเรียนกราบทูลพระพระุทธพระองค์พระเจ้าข้าเออเอาว่ามาเนี่ยทั้งที่ไปสอนกันอยู่ป่าชา้าจนหลอนแหลกพลแหลงว่างันพอนี่ก็พูดขึ้นมา ข้าพระพุทธเจ้าทํากติกรรมทําไรทา่ทํานาทํารั่วทําสวนแต่หน้านาปีที่แล้วก็ได้ไถานาข้าพรเจ้าข้าพุทธเจ้ามีบัวอยู่เมียงวัวคู่เกวียนอยู่สองตัวได้ ท, ทาําไร่ทํานาไถนาทอไถนาแล้วก็ลากเกวียนขนสิ่งของมาครอบครัวแต่บัดนี้ วัวของข้าพระองค์ตายไปตัวหนึ่งขอให้พระองค์นำวัวตัวที่หนึ่งที่มันยังอยู่เนี่ยเอาเมาถวายพระองค์ด้วยเถิดบุตรใดทั้งที่จะของัวจากพระเจ้าแผ่นดินจะมอบวัวให้พระเจ้าแผ่นดินอีกว่าไงพระเจ้าแผ่นดินหัวแล้วเฮ้เฮ้เ้ป็นไงอามาตย์ไม่พ่อจะเอาวัวมาให้เราใช่ไหมเนี่ยทั้งอามาตย์ไม่โอ้ ถ้าพระพุทธองค์ถ้าพระองค์ประทานวัวให้อีกก็คงจะคงจะได้มากพระเจ้าขาดอน้มีวัวอยู่ตัวเดียวยังจะประทานให้พระองค์อีกออกมาให้เราอีกแลว้วงัวตัวเดียวจากนั้นพร ะ, พระเจ้าเป็นเงก็รู้ความหมายเพราะว่าพ ร, พรามเนี่พูดผิดว่างั้นเถอะทั้งที่ ตัวเองอยากจะได้วัวเป็นคู่กับวัวที่มีอยู่ตัวหนึ่งเอแต่คํำพูดนั่นอยากจะมอบมอบวัวตัวที่เหลืออยู่ตัวเดียวน่ะให้กับพระเจ้าแผ่นดินสักนะพระเจ้าแผ่นดินก็หัวเราะไนงะแต่เออเอ้าเรารู้ละละความหมายเอา้าเราจะให้วัวเาลเาะ ทั้งวัวตัวเมียด้วยเอาส่องเป็นฝูงเลยสักร้อยตัวเลยเาจากนั้นก็มอบประทานวัวให้แล้วก็ บ, บ้านสวยให้พอเห็นแก่ลูกชายพระลูกชายเขาทำทำหน้าที่การงานช่วยราชการอย่างดีเยี่ยมเป็นที่ประทับใจของพระเจ้าแผ่นดินว่าเด็กหนุ่มคนนี้ขยันดีมีกิริยามารยาทดีรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักจักทิ้งควรไม่ควร ท, ท, ออท่านก็ประทานให้นี่ะจากนั้นก็พ่อก็ออกมาท่านก็ประทานให้นี่ละนิทานหรื่อาชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าลูกที่ดีถ้ารู้จักพ่อตนเองโง่ไม่ฉลาดก็ต้องพยุงต้องประคองต้องหาแนวทางจะทำยังไงพ่อของเราจึงจะทันโลกเขาฉเฉลียวฉลาด ไม่ให้เสียเปรียกเขาใ น, นลูกที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าพ่อตัวเองโง่แม่ตัวเองโง่แล้วก็ยิ่งไปดูถูกเหยียดหยนันทําลายจนพ่อแม่ของเราปนปี๋เสียหายไปหมดอันนั้นลูกโง่ลูกเนรคุณลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักพยุงว่าตัวเองฉลาดทําไมไม่ช่วยพ่อแม่ให้พ้นทุกข์พ้นภยัย นี่พระโพธิสัตว์ท่านฉลาดนะท่านพยายามดูแลพ่อแม่ของท่านจนมีฐานะขึ้นมาได้นี่แหละขอให้พวกเราพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังนิทานระหว่าชาดกในเรื่องนีนะ้สอนให้พวกเรารู้จากกาละเทศการสถานที่บุคคลควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเมื่อเราอยู่ในสถานะไห น, นสิ่งเหล่านี้แหะมอบให้พวกเรานําไปคิดนำไปพิจารณาและก็พร้อมกันพวกเราอย่าลืมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกคําว่าเกิดอีกคํานี้แหละทําให้พวกเราอย่าไปจุดจบอยู่สุดส่วนใดส่วนหนึ่ง ต่พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญอย่าไปนึกอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปเดาเอาพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังไปศึกษาทั้งหกปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ในเป็นนอนอยู่ในตำ่ำล่มไม้ทุกยากขนาดไหนใครเป็นคนดูแลพระ อ, องค์ท่านพระ อ, องค์ท่านสู้ตามลำพังอย่างสุดๆตั้งหกปีไป บำเพ็ญทุกกะกิริยาบำเพ็ญภาวนาของพระองค์จนได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะท่านทํำยังไงนี่หลวงพ่อเคยย้ําแล้วย้ําอีกท่านนั่งสขัดสมาธิวันที่ท่านได้ตัดสู้นั่นนะท่านบำเพ็ญหปีนะั้เราไม่ต้องพูดถึงละเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์หมดใส่ปากกาไม่กี่กี่ใส่ กระดาษไปหมดไปกี่แผ่นหมดจบหมดเสียงไปเท่าไหร่ไปปลูกทดลองปลูกทดลองหาจุดยืนหรือว่าจุดสูตรสำเร็จนั่น่ะไม่ใช่ของง่ายทั้งหกปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทดลองไปแล้วได้หลายอย่างแต่สูตรสำเร็จในวันนั้นท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างพับพุทธรูปอย่างตัวหน้าของเรา หาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงเหมือนกับพระพุทธลุปดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นไม่ให้ความรู้สึกนึกคิดคิดไปในทางอดีต ไปหาเที่ยวหาเตี๋ยหากินเหล้าเมายาหาเที่ยวคิดถึงอาหาอาหงอาหารคิดถึงเที่ยวไปที่ไหนไหนไม่ให้คิดในขณะนั้นรวมจิตรวมใจรวมสติให้กมาอยู่ที่ปลายจมกูกเออเท่านั้นเวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเวลาหายใจออกไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้ยืนอยู่ข้างปลายจมกูก จมูกเข้าลมเข้ารู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ลมออ ก, ม, ออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูลักษณะอย่างนั้นคนเข้ามาสาลาเราก็รู้คนเข้าแต่เราไม่ต้องตามเข้ามาว่าเขาไปทาอะไรไปถึงไหนเราไม่ต้องเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปเราก็ไม่ต้องตามดูมันลมไปผสมกันยังไงกับลมภายนอกเราไม่ต้องไปตาม มีแต่ว่าลมเข้าเาก็รู้ลมออกลกรู้เข้าเรารออก ร, กรู้นี่แหละมีสติสัมปชัญญะในลมเข้าออกจากนั้นเราจิตใจของเราไม่ปรุงฟุ้ง úng, คิดไปทางอื่นจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเออพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยาหน้าทัศนะเกิดฌานขึ้นมาจะบอกปุเพนิวะสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้อันนี่แหละคือความ เป็นมาของพุท ธ, ธะที่ได้ตัดรู้ในคืนวั น, วนเดือน6เพนตตัดรู้อะไรทั้งสามอย่างปุเพนิวาสานุจติยานจุตูปะป า, ปาตายานอาสาวัคยายาน อ, อาสาวัคยายานคือยานอย่างรู้ว่าพระองค์หมดจดจากกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะให้เกิดนั่นคือชําละ ออกพระไทยออกจากใจของท่านแล้วคือกิเลสราคะโทสะโทสะออกจากตัวโุรุคือนามธรรมปุปตูป ป, ปตาตาญาณการจุติดวงวิญญาณตรงนี้มาจากไหนมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนวตตะสงสารปุเพนิวา เ, เรามีชาติท้นหลังมเีเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมีชาติทุนหลังมีชาติที่แล้ว นี่แหละพราะพระทัเจ้าท่านรู้ตดตดรู้อนุตรพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณสรุปแล้วก็คือท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายสรุปแล้วนะเรื่างมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจนั่นแหะเลิศประเสริฐถ้าใจเร็ว ใจเป็นผู้บงการสั่งให้กายออกหมัดออกมวยจะฆ่าใครก็ได้แต่ว่าใจมันเลวสั่งให้ปากวาจาเนี่ยพูดด่าใครก็ได้ติดคุกติดตารางเพราะวาจาเพราะการกระทํามีมากต่อมากเพราะใจมันเลวถ้าใจดีใจมีเหตุใจมีผลใจได้รับการศึกษาใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม การการสั่งการกระทําออกไปทางกายก็เป็นผู้มีมารยาทอ่อนน้อมท่อมตนการที่จะพูดสิ่งไหนก็ตามก็รู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะใหะไหรเพราะใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นเรื่องพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะขนาาาันติธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นพวกเรามาศึกษาให้มาศึกษาเรื่องของใจนั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูใจของตัวเอง หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทธโธถ้าใจมีพุทโธแล้วหัวใจรวมสงบแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักพระคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์รละลึกถึงเห็นบุญเห็นคุณทั้งหมดถ้าจิตใจของเราเป็นบ้าเหมือนกับหมาบ้าหมาวอ้อนะอกัดดะไปหมดท่นนี เพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการศึกษาเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาศีลธรรมจริยธรรมเป็นอย่างไรศีลหนะ้าคืออะไรถ้าเราศึกษาดีแล้วนะมีแต่ความสุขกายสุขใจนะถ้าต่อนนี้ไปนั่งสมาธินั่นะนี่นะ